พวกที่เรียนกรรมฐานยากนะมีสองจำพวกพวกหนึ่งติดเพ่งคิดนะว่าเพ่งไว้ก่อนแล้ ว, วันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลคนละเรื่องกันเลยเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนลยเมื่อเพ่งเก่งๆหรือสีเพ่งเก่งไม่บรรลุรอนี่พอเราบางคนไปหัดกรรมฐานนะเพ่งมานานสงบสบายไม่รู้ ร, ร้อนรู้หนาว ให้มาเจริญปัญญาไม่เอาเจริญปัญญานะี่มันเห็นทุกข์เห็นโทษไม่สบายใจไม่อยากดูเงินพวกติดเพลงนะไม่ยอมพัฒนาเกาะอยู่กับฐานเดิมของตัวเองไม่เลิกเหมือนเหมือนคนอยากข้ามสะพานนะสะพานบ้านนอกข้ามคลองเล็กๆเลยเป็นสะพานทำด้วยไม้ไผ่ลําเดียวแล้วมีไม้ไผ่อีกอันไว้เกาะให้เคยเห็นไหมสะพานแบบเนี้ย พวกติดเพ่งนะคือพวกที่มือไม่ปล่อยอจับราวสะพานแน่นเลยขามันก็เดินไม่ได้ก็อยู่แค่นั้นะกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นนี่พวกติดเพ่งอีกพวกหนึ่งที่ไม่พัฒนานะพวกช่างคิดคิดอย่างเดียวเลยนะครูบาอาจารย์สอนให้รู้รูปรู้นามรู้ไตรลักษณ์ก็มาแต่คิดว่าทำยังไงจะรู้แล้วก็คิดเรื่องไตรลักษ์ พวกเพลงเนี่ยไม่คิดไม่เนึกเลยกือบอีกพวกหนึ่งนักคิดนักนึกนักปลุงนักแต่งสองกลุ่มเนี้เรียนกรรมฐานไม่ได้ที่เรียนไม่ได้พรอมเป็นปสุดโต่ไปสองข้างข้างที่มุ่งไปหาความสงบแน่วเลยนะพวกเนี้ยมันขม่มกายข่มใจให้สงบเมื่อตกไปข้างอัตตะกิลมฐานโยกพวกช่างคิดเนะมื่อตกไปข้างฟุ้งซ่านตามอารมณ์ ตกไปข้างกามสุขาริการนุโยกไม่เข้าทางสายกลางสทัทีความยากของผู้ปฏิบัตินะมันอยู่ที่ว่าทํายังไงจะเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้วความยากลําดับต่อไปก็คือเมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วต้องทนในการดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกดูกายซ้ําดูใจซ้ําดูซ้ําอยู่เรื่องเดียวนี่ไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายอย่างวิชาทางโลกนะ แต่ละปีแต่ละปีหลักสูตรไม่เหมือนกันสักปีวิชาทางธรรมเนี่ยไม่มีขอบเขตด้วยว่ากี่ปีจะจบแล้วก็ทุกปีเรียนเหมือนกันหมดทุกวันเรียนเหมือนกันหมดเรียนเรื่องเดียวเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยถ้อ ค, คนขี้เบื่อเรียนไม่ได้จริงหรอกเบื่อเรียนวันนี้ทํามานาปนาสติพรุ่งนี้ทํำอสุภะอะไรเงี้วุ่นวาย อะไรก็ไม่ได้กินสักอย่างมันต้องทนนะแต่ก่อนที่จะทนปฏิบัตินะต้องฝึกจิตให้เข้าสู่ความเป็นกลางให้ได้ก่อนยากมากเลยเพราะคนในโลกเนี้ยมันสุดตรงไปข้างตามกิเลสตื่นนอนมาแล้วก็คิดใต่เรื่องคนอื่นคิดเรื่องสิ่งอื่นตลอดเวลาวันๆก็สนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจในรูปไม่สนใจตา สนใจในเสียงไม่สนใจหูสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจในรถนะไม่สนใจลิ้นตัวเองสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองสนใจเรื่องราวที่คิดนะไม่สนใจจิตใจตัวเองเด็ดจุดอาภัพที่สุดเลยของชาวโลกหรือสัตว์โลกทั้งหลายคือมันไม่ย้อนมาหาตัวเองไม่มีคำว่าโอปัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเอง ไม่ได้เดินในเส้นทางที่พระเจ้าวางไว้ให้พวกเราเคยสวดบทธรรมคุณไหมดีมากนะสวักขาโ ต, พ, าตามโมพระควตาธรรมพระธรรมที่พระเจ้าสดแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยสันทิตฐิโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวพระเจ้านะเห็นตามได้อากาลิโกไม่จํากัดด้วยเวลาเอหิปสิโกเป็นธรรมะที่ชวนให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อแปลว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ได้บอกว่าจงมาเชื่อนะมาลองดูสิอย่างมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ท้าลองฟังดีดูลองดูจิต ด, ดูใจดนะูมาฝึกให้จิตตั้งมั่นดูสิแยกรูปแยกนามดูสิท้าให้ลองวิธีลองนะถ้ารับคำท้าแล้วก็โอปะนัยอโก น้อมเข้ามาเรียนรู้เรื่องตัวเองเรียนรู้ในกายเรียนรู้ในใจเนเราเรียนรู้เรื่องตัวเองแล้วก็ปัจจัตังเบธิพพวิน ย, นยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่รู้เพราะใครบอกให้การธรรมะนันามมานะ่รู้ด้วยตัวเองนี่คนทั่วไปมันไม่ย้อนเข้ามาหาตัวเองมันลืมตัวเองตลอดเวลาออกนอกตลอดเวลาเรื่หลวงปู ด, ดูลยนะย้ำแล้วย้ำอีก ทำมาเบื้องต้นของท่านเลยอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดอะไรนะหมายถึงว่าให้คอยย้อนเข้ามารู้ทันตัวเองเข้ามาดูตัวเองนี่คนทั่วไปมัวสนใจในรูปไม่สนใจตาสนใจในเสียงไม่สนใจหูของตัวเอง ถ้าสนใจหูก็หูคนอื่นตาคนอื่นอีกอตาคนนี้ตาหวานัวนี้ตาของตัวเองไม่ดูหูตัวเองไม่ดูจนะมูกของตัวเองเป็นไงไม่รู้รู้แต่กลิน่นรสรู้รสนะลิ้นตัวเองเป็นไงไม่รู้ไม่สนใจพวกเราสนใจลิ้นบ้างไหมเวลากินข้าวกัดลิ้นบ่อยๆไปไม่สนใจนะสนใจอะไรสนใจรสนึกออกไหม เนี้ยดูง่ายเลยเวลากินนะพวกเราคนไหนตะกะบ้างมีไหมใครตะกะยกมือสิ <c oughs> <c oughs> เวลาคนตะกละกินเนี้ยจะดูง่ายนะจะจะเห็นง่ายลักษณะที่หลงพ่อบอกเนี่ยมันสนใจที่รสนะแต่ไม่ไม่รู้เรื่องลินตัวเองนะเวลาไปดูหนังมีไหมสนใจรูปที่ดูไม่สนใจตาตัวเองอ่ะ ไ่นั่งสังเกตตาเนะตาออกไปกระทบแสงแลนะตาได้รับความทุกข์เหมือนกันนะไม่ดูหรอกสนใจเรื่องราวที่คิดสนใจธรรมารมที่ใจไปรู้ไม่สนใจจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะชั่วไม่รู้หรอกรู้แต่เรื่องราวที่คิดไปสนุกสนานบ้างเศร้าโศกบ้าง เวลาคิดก็รู้แต่เรื่องที่คิดเรียจุดอ่อนนะของคนทั้งหลายที่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ตรงที่ว่ามันออกนอกตลอดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นละเลยที่รู้กายละเลยที่รู้จิตใจของตัวเองอย่างเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมเวลาเราคิดสมมเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าโกรธออกเคิดถึงไอ้คนเนี้ย วนเวียนคิดถึงมันเรื่อยๆหรือเรารักใครสักคนนะเราก็วนเวียนคิดถึงคนที่เรารักเราไม่รู้ว่าใจกําลังรักเนี่ยเราละเลยเราขับรถอยู่นะักคนมาปาดหน้าใจโกรธขึ้นมาเราไม่สนใจเพราะใจโกรธนะเราสนใจคอยดูไอ้คนเนี้ที่ปาดเราไปโน่นละจะต้องไปปาดคืนอะไรเงี้ยสนใจนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลาย เกือบร้อยละร้อยโยกเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะสามารถย้อนกลับเข้ามาจนาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ น, นอกนั้นเกือบร้อยละร้อยเลยนะจิตออกนอกทั้งนั้ น, นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจกายไม่สนใจใจของตัวเอง <c oughs> คนเหล่านี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลอะไรได้เลยเพราะไม่ได้เรียนรู้ตัวเอง มันจะมาปล่อยวางความยึดถือในตัวในตนอะไรเนี่ยทำไม่ได้ไม่เคยเรียนเรื่องตัวตนของตนเลยเห็นแต่คนอื่นคิดว่าเรามีอยู่จริงๆแล้วพันพ า, นพานโรต่อไปอีกนะว่าเรานี่แหละคือศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลคิดอะไรก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งไปหมดนะนี่เราต้องมาพัฒนาตัวเองนะย้อนกลับมาหากายหาใจของตัวเอง ยาวแต่หลงออกไปนอกหลงรูปหลงเสียงลงกลิ่นลงรสลงสัมผัสลงคิดนึกลงแต่งหลวงพ่อดูคนในโลกนะที่ใจไม่หลงไปใจตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วไม่ถึงเปอร์เซนต์หรอกนะหมื่นคนะได้สักคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยมีน้อยอย่างยิ่งเลยเหมือนคนที่บรรลุมรรคผลถึงน้อย ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลมันยากนะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติมันมีน้อยจริงๆไม่สนใจที่จะโอปนญายิโกไม่สนใจที่จะน้อมมาเรียนรู้เรื่องตัวของตัวเองมีแต่ออกนอกคนทั่วไปสัตว์ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนปฏิบัติธรรมนะออกนอกตลอดนี่ความอาภัพสุดขีดมันอยู่ตรงนี้ คนที่สนใจปฏิบัติเนี่ยพยายามจะไม่ออกนอกพยายามบังคับกายพยายามบังคับใจมันตกไปสู่ความสุดโต่งในข้างบังคับตัวเองอีกนะยังสิ่งที่ผิดนะคนทั่วทั่วไปมันผิดที่ไม่ออกนองหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสพอลงมือปฏิบัติก็ผิดอีกบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับนะ อย่างพอเราที่จะนั่งสมาธิเราก็ต้องวางฟอมตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะไม่รู้นั่งอย่างงี้ไม่รู้นะพ่ออ้านั่งสมาธิ อ, อ, ยาาอย่างนี้ยังกะไหวอย่างเนี้ยคือสมาธิหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะเอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้านะท่านบอกอย่างนี้นะก็ทําสมาธิได้ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางของร่างกาย นี่นักปฏิบัตินะมไปติดการบังคับตัวเองคนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็สุดโตงไปข้างกามสุคาริการุโยคตามกิเลสคนปฏิบัติสุดโตงในข้างอัตกิลมัฏฐานุโยกเพราะั้นคนปฏิบัติเนี่ยก็มีน้อยที่จะบรรลุมรกคผลนิพพานอีกเห็นคนนั่งสมาธิคนเดินจงกรมกันบางทีเป็นร้อยๆนะาคนที่จิต เข้าสู่ทางสายกลางได้สักคนหนึ่งเนี่ยยังยากเลยหลายสิบปีมาแล้วหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดครูบาอาจารย์ทยอีสานกลางคืนนะคนไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิในโบสถนะ์แต่โบสถ์เล็กหน่อยก็มานั่งอยู่ลานรอบโบสถนะ์เต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเลยคืนคืนนึงปกติหลวงพ่อ ไปอยู่วัดครูบาจันทร์ท่านจะให้ไปอยู่โซนพระเลยให้ภาวนานี่เรารู้ว่ากลางคืนเนี่ยญาติโยมที่มาพักวัดเนี่ยก็มาภาวนากันที่โบสถ์ก็มาบ้างนะวันหนึ่งก็มาบ้างมาโอ้ชะโงกไปดูในโบสถ์โอ้คนนั่งกันเต็มเลยข้างนอกคนก็เต็มเลยนะนั่งบ้างเดินบ้างแล้วสังเกตนะโอ้ไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยใจนึกอย่างนี้นะ ทำไมว่าเขาไม่ปฏิบัติเขากําลังนั่งสมาธิเขากำลังเดินจงกรมทำไมว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติสักคนพวกหนึ่งก็นั่งใจลอยเดินใจลอยไปฟุ้งตามกิเลสไปตกไปสู่กวามสุขาริการุโยคพวกหนึ่งนั่งสมาธิเดินจงกรมนะก็บังคับกายบังคับใจตกไปสู่อัตตะกิลมัฐานุโยคคนเป็นร้อยๆนะไม่มีใครเข้าทางสายกลางสักคนเลยยังไม่ได้เดินในจุดที่ ตั้งต้นที่ถูกในใจก็นึกนะที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนหมถึงว่าไม่มีใครเข้าทางสายกลางสักคนนึกในใจไม่พูดหรอกเราก็พอนางของเราไปได้พักหนึ่งก็ไม่ไหวไปพอนาคนเดียวสบายกว่าเนะช้าขึ้นมาตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่เห็นหน้าเราหนะลวงปู่ก็ยิ้มท่านก็บอก วันนี้เข้าม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะคือประโยคที่เราคิดในใจเชา้าคืนโดนเ่นะเรา่ยอายมากเลยตอนนั้นดูสิเราไปดูเขาว่าเขาหลงตามกิเลสทรงจิตออกนอกเขาไปบังคับกายบังคับใจเราไปดูเขาอะมันก็ออกนอกเป็นกันนะดูโง่หลายเลยเลยอายมากเลยนะอายเลยไม่มีใครรู้หรอก พวกคุณป้าก็มาคุยทั้ทําไมหลวงปู่ว่าไม่มีคนปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมคืนหนึงเป็นร้อยทําไมว่าไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติคือจิตไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางเลยไอ้ที่ปฏิบัติอยู่นั่นก็ทรมานกายทรมานใจให้มันลําบากเล่นเล่นไปไนะั่นแะแล้วก็รู้สึกดีคนส่วนใหญ่ก็หลงไปครั้งหนึ่ง มีเทวดาวงหนึ่งนะไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาเนี่ยแกคิดว่าแกเป็นพระอรหันต์ไปถามพระพุทธเจ้ า, า, ค, ค, า, ค, า, จาคล้ายๆไปชวนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะคือพ่วงน้ําพ่วงกิเลสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรนะพระเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเราตถาคตข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ เทวดาฟังแล้วก็งงนะไม่พักอยู่เนี่ยเข้าใจไม่ขี้เกียจขี้คล้านปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสพระเช้บอกไม่เพียนด้วยเทวดาเนี่ก็ชะงักนะได้ยินคําตอบที่นึกไม่ถึงเกิดเฉลียวใจขึ้นมาแล้วว่าเราคงไม่ใช่พระอรหันต์จริงนะเราไม่เข้าใจพระสมณะรห ด, ดมที่ท่านพูดเนี่ยเทวดาไม่มีทิฏฐิมรณะนะถามพระเจ้าต่อเลยว่าให้พระองค์ช่วยอธิบายหน่อยนะเถอะ ที่ว่าข้ามห่วงน้ำด้วยการไม่พักไม่เพียรนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าท่านก็ตอบให้นะว่าถ้าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยอย่างนี้เทวดาได้โสดาเลยพวกเราได้ยินเหมือนเทวดาได้ยินนะแต่ยังไม่ได้นะบารมีเรายังไม่เท่าเทวดานั้น ต้องขยายความเอง ก, การพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอยู่ไปวันวั น, นึงอยู่ช่วยช่ยไปวันวันหนึ่งหายใจก็หายใจทิ้งบบเปล่าเปล่าไปวันวนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนทิ้งเปล่าเปล่านะไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาอะไรอันนี้เท่ากับพักอยู่นะคําว่าเพียรอยู่นะคืออตัตะกิลมัฏฐานโยกการบังคับตัวเอง จะนั่งสมาธิก็บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจจะเดินจงกรมก็บังคับกายบังคับใจทําอะไรก็บังคับกายบังคับใจพักอยู่คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนี่ยจะทําให้จมลงคือไปอบายเพียรอยู่นักคอยควบคุมตัวเอ ง, บ, งบับงคับกายบังคับใจจะทําให้ลอยขึ้นคือไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนิพพานไม่มีการจมลงไปหรือลอยขึ้นมานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตายอยู่แล้ว ไม่มีการจมไม่มีการลอยไม่มีฝูไม่มีแฟบนะเต็มบริบูรณ์เยี่นพวกเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้สู่ทางสายกลางให้ได้จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงส่งออกนอกไปในขณะเดียวกันตั้งมั่นอยู่ก็ไม่ได้บังคับให้ตั้งนะคือจิตที่ครูบาอาจารย์ วัดป่ารุ่นก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยเขาเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเองสมัยก่อนไปเรียนเด็กครูบาอาจา ร, รย์นะพูดแต่คาว่าจิตผู้รู้เข้าวัดนี่ก็จิตผู้รู้เข้าวัดนี่ก็จิตผู้รู้คํานี้มันหายไปละนะเดี๋ยวนี้ไปพูดแต่เรื่องนั่งสมาธิเรื่องอะไรนิมิดนี่มึดเลยเรื่องหาสาระไม่ได้ของที่มีสาระก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ต่างหากนะเจอคุณแม่จันดีนท่านถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ ภาวนาอย่างไงถามว่าหลวงพ่อภาวนามายังไงจิตลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อเริ่มจากอานาปนสติหายใจใจสงบลมตื้นตื้นต้นจนกระทั่งหยุดอยู่ที่จมูกเนะี่ยลมกลายเป็นแสงสว่างหลวงพ่อก็รู้อยู่แต่ไม่ได้รู้แสงนะรู้จิตนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้อยู่กับความสว่างเนะี้ยจิตเคลื่อนไปเรารู้ ในสุดจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาต่ตอท่านก็บอกว่าถ้านั้ น, นเดียวกันแหละแต่ของท่านไม่ได้ใช้ลมหลวงตามมหาบัวพี่ชายท่านสอนให้ใช้พุทโธ ท, ท่านกําหนดจิตไว้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะที่เดียวกันนะพุทโธพุทโธไปถ้าจิตเคลื่อนเรารู้อางที่ท่องพุทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อไม่ให้จิตเคลื่อนแต่ท่องพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจนะเพื่อจะรู้ว่าจิตเคลื่อน ถ้าท่องพุทธโธไม่ให้จิตเคลื่อนจะตกไปสู่อตัตตกิริมฐานุโยคบังคับตัวเองถ้าไม่ได้ท่องพุทธโธเลยนะใจหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปตกไปสู่กามสุขาริการุโยกนั้นท่านพุทธโธนะแล้วท่านรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ตั้งมัน่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นหลวงพ่อไม่ได้ใช้พุทธโธนะลำคาญพุทธโธ พอใจเราช่างคิดอยู่แล้วคิดพุดโทโธก็คิดอีกลาคานไม่รู้แต่ลมแต่เดิมตอนเด็กๆใช้พุดโธด้วยแล้วนับหนึ่งสองสามไปด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกทวนับหนึ่งต่มาก็รู้สึกมันเยอะไปก็ตัดการ น, นับออกพอจิตมันเริ่มสงบจริงๆนะพุดโธก็หายไปคราวนี้ก็หายใจชํานาญขึ้นมาหายใจอย่างเดียวไม่มีพุดโธแต่หายใจก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไม่สงบน่ะ รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนพวกเราต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากคิดจะข้ามวัตตะนี้ให้ได้ข้ามกองทุกนี้ให้ได้แต่ถ้ายัางคิดว่าโลกนี้อร่อยอร่อยยังทุกข์ไม่พอยังไม่ต้องทำอย่างที่บอกรักษาศีห5้าไว้อยู่กับโลกไปแต่ถ้าคิดว่าโลกนี้ไม่น่ารักน่าหวงหแหนเต็ไมไปด้วยกองทุกข์ไม่อยากต้องตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกนะ ก็มาฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปก็รู้พุโทโธจิตไปเพ่งอารมณ์ว่างๆนิ่งๆอยู่ก็รู้หรือรู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจใหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเน้นที่ความรู้สึกตัวนะแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรู้สึกตัว ถ้ามีการจงใจจะให้เป็นอย่างนั้นจงใจจะให้เป็นอย่างนี้ตกไปสู่อตัตตกิลมถานุโยคทันทีเลยแต่ถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ทําอะไรเลยนะก็ตกไปสู่กามสุขคาริการุโยคทันทีเลยนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งยจะได้ไม่ตกไปสู่กามสุขคาริการุโยคนะไม่หลงไปในกามคือเรื่องราวที่คิดบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายบ้างนี่คือกรารมาคุณอารมณ์ทั้งสิ้น เพราเราอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่สุดโตงไปในข้างกลามสุขานิสการานุโยคในขณะเดียวกันการอยู่กับกรรมฐานนั้นอยู่เพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่อยู่เพื่อบังคับจิตให้สงบให้ดีให้มีความสุขถ้าอยู่เพื่อบังคับจิตจะตกไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยนะเราจะไม่เข้าสู่ทางสายกลางสักทีบังคับเก่งแค่ไหนก็ไม่เข้าทางสายกลางแต่ว่ามันรู้ตัวอยู่นะ ดูเนื้รู้รตัวอยู่แต่ใจจะแข็งๆทื่อๆนิดหนึ่งใจไม่เป็นธรรมชาตินะงั้นเราไม่ได้จงใจบังคับจิตให้นิ่งเราไม่มุ่งเอานิ่งไม่ได้มุ่งเอาสุ่ไม่ได้มุ่ง เ, เอาสงบเพราะว่าความนิ่งเป็นของไม่เที่ยงความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้เอาของไม่เที่ยงอย่างนั้นเราจะเอาแค่ความรู้สึกตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจากตัวเอง จิตนี้ไปคิดเป็นส่วนใหญนะ่เวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบจิตจะหนีไปคิดจริงีก็หนีไปรู้ร่างกายบ้างหนีไปคิดบ้างไม่ค่อยจะมีอะไรให้ดูให้ฟังให้ดมกลิ่นให้ริ้มรสอะไรงั้นเราฝึกกรรมฐานนะทําในรูปแบบแล้วก็ทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตไว้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ดูท้องพองยุบเพื่ออย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้อง ให้รู้ทันจิตไม่ใช่ให้รู้ท้องรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่รู้ลมหายใจนะธรรมานาภนสติไม่ใช่รู้ลมหายใจแต่รู้ทันจิตอย่างรู้ลมเนี่ยจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ดูท้องพองยุบก็ไม่ได้ดูท้องดูท้องพองยุบเพื่อจะเห็นจิตดูท้องพองดูท้องยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมไปบางคนเอาจิตไปไว้ที่เทา้า บางคนเลยเท้าออไปนะเอาจิตไปไว้ที่พื้นพื้นตรงนี้เย็นพื้นตรงนี้ร้อนพื้นตรงนี้อ่อนพื้นตรงนี้แข็งไม่มีใครเขาเห็นพื้นเป็นตัวเราหรอกไม่ต้องไปดูนะไกลเกินไปออกนอกอย่าให้เกินกายออกไปแต่ถ้าบางคนกำหนดตรงที่กระทบนะเท้ากระทบพื้นรู้สึกรู้สึกตรงจุดที่กระทบเนะี่ยจิตมันไหลไปไปเพ่งตรงจุดที่กระทบเป็นอัตตะกิมฐานโยกนะ เนทรมานตัวเองบังคับตัวเองถ้าเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินเท่านั้นเองเห็นร่างกายมันเดินไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้นี่ฟังเสียงใจวิ่งไปที่ระครังก็รู้นะใจประคองไว้กลัวจะวิ่งก็รู้ใครเห็นจิตฉกไปที่ระครังบ้างยกมือสิ ใครครวบคุมไม่ให้จิตไปที่ระครังบ้างยกมือสิคนที่จิตไหลไปที่ระครังนะแล้วถ้าไม่รู้นะก็เป็นกามสุขาริการุโยคถ้าควบคุมไว้ไม่ให้จิตไหลไปที่ระครังเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกถ้าจิตไหลไปที่ระครังแล้วรู้ว่าจิตไหลไปที่ระครังเป็นทางสายกลาง น, นี่ทางสายกลางอยู่ตรงนี้นะรู้ตามที่เขาเป็น รู้จิตใจอย่างที่มันเป็นจิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่ถ้าประคองไว้นะ่าเหมือนรู้สึกตัวแต่จะเครียดเครียดแข็งแข็งผิดธรรมดานะตกไปสู่อัตตากิมัฏฐานิโยกทันทีเลยความยากลำบากอยู่ที่ตรงนี้แหละขว่าจิตจะเข้าสู่ทางสายกลางได้เพราะคนทั่วไปเคยชินในกามสุขาริการโยก พอลงมือปฏิบัติก็เคยชินในอัตตกิรมฐานโยก บ, บังคับต้องลืมความเคยชินเก่าๆเสียทีนะต่อไปนี้แล้วรู้ทันจิตเอาการรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตตะศิขาเป็นบทเรียนก่อนที่จะถึงขั้นการเจริญปัญญาเมืนะ่อคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดสอนให้ดูจิตฉันจะดูกายต้องดูกายก่อนนี้ไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจที่ผู้เจ้าสอนแะดูกายดูจิตมันมีสองส่วนนะดูจิตช่วงแรกเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตเป็นผู้รู้เพื่อให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อจิตเข้าสู่ทางสายกลางแล้วจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมในสติปัฏฐานสเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยได้ทั้งนั้น ไม่ใช่เบื้องต้นต้องกายเบื้องปลายต้องจิตนี่พู้เราเองนะพระเจ้าไม่เคยสอนเลยอาศัยว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยทํามาแบบนี้ท่านมาสอนเราก็เชื่อว่ามีอย่างนี้แหละนะหรือเชื่อว่าต้องทําสมาธิก่อนได้ฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะในยุคคระนัตถสูตรนะพระนนท่านเล่าเลยพระเจ้าสอนกรรมฐานไว้ใช้สมาธินําปัญญาปัญญานาสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันน ต้องไปสู่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใจแคบเกินไปนะเราก็ต้องมาดูว่าผู้เจ่าสอนอะไรทํายังไงใจจะเข้าสู่ทางสายกลางนะใช้กรรมฐานไม่เหมือนกันคนนี้พุโทโธคนนี้หายใจคนนี้พองยุบได้ทั้งนั้นเลยขอให้รู้ทันจิตจิตที่จะเข้าสู่ทางสายกลางการรู้ทันจิตนั้นเรียกว่าจิตศิษฐ์ขาเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นจุดที่จิตเดินเข้าสู่ทางสายกลางนะ หลวงพ่อเทียนท่านเช้ขยับมือแล้วค่อยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดขยับแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดท่านบอกว่าพอรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะั้นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานั่นเองจิตพร้อมแล้วที่จะเดินปัญญาหรืออย่างเอาจิตไปพุโทโธพุโทโธสงบอยู่พุโทโธเหล้อมาดูเรื่องร่างกายพิจารณากายไม่ใช่วิปัสนา พิพัฒน า, าไม่ใช่การคิดแตนเป็นอุบายไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเท่านั้นเองหรือดูท้องพองยุบนะีจิตไปอยู่ติดท้องไม่ใช่พิพัฒนาเป็นการเพ่งท้องถ้าทําถูกนะกรรมฐานใดก็ถูกทั้งหมดเลยไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกถ้าผิดหลักก็ผิดเหมือนคำนวณอ่นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะฝึกให้ถูกหลัก ให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้จะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเคยดูฟองยุบก็ดูไปแต่ดูฟองยุบไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องดูฟองยุบแล้วรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคยธทมาานาพระนสติก็ทําไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบนะทำเพื่อจะรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้เคยพุโทโธก็ทาพุโทโธเคยอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้นี่รเรียกว่าจิตสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อม ของจิตก่อนที่จะเจริญปัญญาคนในโลกจํานวนมหาศาลนะมีคนที่พยายามจะมาเตรียมความพร้อมของจิตนะมีน้อยเต็มทีนะพอลงมือปฏิบัติจิตก็ไม่ได้มีความพร้อมจริงเขาไปบังคับตัวเองซะอีกก็เลยเหลือคนที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงเนียเหลือนิดเดียวคนที่บรรลุมรรคผลมันถึงน้อยเ ถ้าจิตได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานแล้วนะดูกายดูใจมันทํางานเรื่อยไปเห็นไตรลักษ์ไปเรื่อย7วันเดเดือน7ปีมันจะต้องได้ธรรมมาบ้าง น, นี่ถ้าจิตไม่มีความพร้อมนะม่นทำเจชาติมันก็ไม่ได้นะกี่สิปีมันก็ทาไม่ได้ก็เพ่งไปเท่านั้นเองแต่เพ่งก็ยังดีกว่าเผลอเผลอเนี่ยไปอบายเพ่งไว้ไปสุคติไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้นะแต่ไม่นิพพานหรอก แล้วถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วก็มาดูธาตุขันแสดงไตรลักษณ์อั น, น, นแรกจะเป็นทางไปพระนิพพานนะทางสายกลางอยู่ตรงนี้นะท่านต้องเข้าใจทางสายกลางให้แจ่มแจ้งนะไม่งั้นจะเดินผิดเดินผิดแนละ้วขยันแล้วจะเหนื่อยเปล่านะไม่ได้อะไรกับเขาสักทีนะเช่นไปกินข้าว